เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้หลงชวนให้เมาชวนให้จมอยู่ในทุกนี้ในเรื่องอย่างนี้นี่มันขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีของบุคคลไม่ใช่ว่ามันเป็นได้เอง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 คนบางคนบางพวกเกิดมาแล้วมีเงินมีทองมีลาบมียศมาแล้ ว, ลวไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการสังคมความสุขในการร้องรำทำเพลงสุรานาลีกีลาบัตรสรพัพัตั้งแต่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 โดยที่เจริญอนาปานสติดังที่แนะนำมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละหวังว่าก็คงเข้าใจการวิธีสํารวมจิตจึงไม่ได้ปารกเท่าไรนักก็เมื่อผู้ใดสักงบจิตได้รู้จักคมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วมันก็พิจารณาเห็นโทษของ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 ก็ไม่ได้ตัดสรู้กเมื่อพระ อ, องค์จะได้ตัดสรู้ก็เพราะว่าพระ อ, องค์ทรงอธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระ อ, องค์ได้สั่งสมอบรมมาบุญญาบารมีนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระ อ, องค์ได้รู้บรรดาลให้เกิดเป็นพินสามสายขึ้นสายที่หนึ่งนั้นยานเกินไปดีเข้ามก็ไม่ดังบัดนี้ดังก็ไม่ไพเราะสายที่สองนั้นเคร่งเกินไป ขอดีดเข้าไปก็ขาดสายที่สามนั่นไม่คร่งไม่ยานเกินไปขอดีดเข้าไปมันก็ดังไพเราะเพราะพิ่งดีเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงระลึกได้ว่าผลทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่ต้องเป็นสายกลางแน่นอนอันสายพินที่ยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ยังผัวพัน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 มันมักจะลืมตัวไปเป็นระยะระยะไปโดยไม่รู้ตัวนี่นะตัวเดินไปอยู่ก็ไม่รู้ตัวมัวแต่คิดเพลินไปในเรื่องอื่นโน่มในเรื่องที่มัเป็นสาระแกนสารนั่นแหละนานๆจึงรู้ตัวขึ้นมาจะนีบจิตมันก็เพลินไปพลังแล้วมันนี้จะโน้มน้าวเข้ามาให้มันสงบลงมันยากเพ็มทนนะถ้าปล่อยให้มันคิดเพลินมากๆเข้าไปแล้ว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 พอมันรู้ตัวนี้มันก็มันก็คลายออกแม้มันก็วานมันก็ไม่ยึดเอาไว้เมื่อมันไม่ยึดเอาไว้แล้วมันก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นต่อไปจิตก็สงบอยู่ตามเดิมก็ก็ก็มีอุบายแยบคลายอย่างนี้แหละไอการฝึกขนรมจิตนี่เน่ยถ้าหากว่าไม่ไม่มีอุบายอย่างนี้นี่มันมันจะสงบได้ยาก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 ต้องแสวงหาข้าวน้ำพอชนะอาหารมาเลี้ยงมันบำรุงมันไว้ทุกวันต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าหม่มมานุ่งหม่มเพื่อป้องกันความหนาวร้อนเหลือบยุงลิ้นสัตว์มีพิษต่างๆอะไรหมดเนี่ยและต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือน ให้ขันห้านี่ได้อาศัยป้องกันลมแดดฝนสัตว์ร้ายต่างๆมูเนี่ยต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มหมาปกปิดแล้วก็แสวงหาหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยหยุกยารักษานี่การแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี่ มันย่อมแสนยากแสนลาบากถ้าใครมีบุญน้อยแล้วก็ยิ่งแสนลาบากหาได้ยากเต็มทนผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ก่อนมากก็ ย, ยังสั่วหน่อยหาไม่ยากอันนั้นนะบุญเก่านน้นมันมาหนูนสง่งทำมาค้าขายไม่พอที่จะรวยก็รวยไปได้ทำนาทำสวนไม่สมควรจะได้หมากได้ผล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 เมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทปนีผู้นั้นก็พยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนทุกวันทุกคืนไปอา้าทำอย่างไรเรามีเงินมีทองน้อยจะไปให้ทานทุกวันทุกวันจะได้หรือแม้แต่จะเสวงหา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 ให้คิดดูท่านพูดได้ตัดสรู้เป็นบุพเพศเจ้าก็ดีเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าเป็นพระเจ้าจากกัปติราชผู้มีบุญวาสนาอันเป็นส่วนโลกีมากมายเหนือมนุษย์ก็ดีกระล้วนดังจะเกิดมาเป็นคนนี้ทั้งนั้นเลยมาสร้างบุญบารมีมาในสงสารหลายชาติหลายภพ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 เป็นธรรมดาอยู่เองนี่เนะี่ยถ้ายังมีจิตใจกำหนัดดินดีในรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่มากมายอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ในเพศพรหมจรรย์นี่นะอยู่ไม่ได้จริงๆอ่าถ้าอยู่ได้ก็เป็นพวกพืชล่วงวินยัยซาสมบาปใส่ตัวเองไปไม่มีประโยชน์อะไรอะเป็นอย่างนั้นผู้อยู่ได้โดย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 ผ้าเปียนพยายามเจริญกสิณชาญให้เกิดขึ้นจนได้บรรลุสมาบัตแปะคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เมื่อหากรักษาฌานสมาบัตอันนี้ไปได้จนตลอดชีวิตละโลกวีไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรมพหมไอ้ผู้ที่มุ่งหวังอยากจะให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ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 นี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรท้อถอยในการทำสมาธินี่นะผู้ใดฝึกจิตให้เข้มแข็งได้แล้วผู้นั้นย่อมเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานานั้นได้จริงๆเลยเป็นนัก บ, บวชก็เจริญในความเป็นนัก บ, บวชเป็นนัก บ, บวชก็สามารถมีความรู้ความฉลาดบาเพ็นหน้าที่ของนัก บ, บวช ท, ท่านให้เจริญก้าวหน้าไปได้ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเป็นครืหัดก็สามารถรักษาหน้าที่การ ง, งานของตน น, นนั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจผู้มีปัญญาแล้วย่อมรู้จับรักษาสุขภาพอามายของร่างกายไว้ได้สิ่งใดที่อยเป็นภัยต่ออัจภาพร่างายนี้ ก็อย่าไปบริโภคมันเช่นอย่างของเสพติดห้โทษทต่างๆวันนี้ล้วนแต่เป็นภัยต่อร่างกายทั้งนั้นเลยอย่าว่าแต่สุรายาปินเฮโรอีนแม่แต่บุรีนี่ก็เป็นภัยต่อร่างกายมากมายแต่คนติดมันเหลือเกินนะชอบกลิ่นชอบรสของมันสำหรับผู้ประพฤติธรรมผู้จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาแล้ว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 เอาสิ่งที่มีพิษมีภัยต่อร่างกายอย่างนั้นมาบำรุงมาซ่องเศษอยู่หรือไม่และเมื่อเมื่อตนได้ซ่องเศพของเรานั้นอยู่ก็จะได้เห็นทอดของมันจะได้ละมันไปเสียนี่โมนี่ควรพิจารณาดูเพราะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นเขาย่าสามารถรู้ได้อันวัตถุธาตุต่างๆโุนี่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 แล้วปรากฏว่าสุขภาพของร่างกายนี่ดีวันดีคืนขึ้นนี่เห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งระมัดระวังอย่าให้ท้องผูกนี่ต้องพยายามชําระกะระเพาะลําไส้นี่ให้สะอาดไม่ให้อาหารเก่ามันติดเกะกังอยู่ในกระเพาะในลําไส้ต้องพยายามรับประทานยาละบายอ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 นั่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามเช่นไปแสดงอาการกวกมือเอาเขาให้เขามาทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะไปกล่าววาจาชักชวนให้ทำบุญกันบริจาคทานกันอย่างเงี้ยไม่มีพระพุทธเจ้าทรงห้ามเลย